นี่คือรายการธรรมะข้าพเจ้าพระไพบูุญอภิปุโนจากวัดปาดอนไอโศกอําเภอนังหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยพบปากกับท่านฟังนั้นก็เพื่อที่จะนำธรรมะคำสอนของรพระพทธเจ้ามาบอกมาสอนให้ท่านฟังในการบอกสอนธรรมนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าของที่ดีเราเราอยากจะเอาให้ คือไม่ใช่เพราะว่าเออมันมีเวลาว่างอยู่ก็มาเสียบหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรก็มามาทำแบันนี้แต่แต่เพราะว่าอธรรมะที่เรามาบอกสอนเนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมที่ประกาศไว้ดีแล้วเป็นของที่ผู้ที่บอกแล้วทําได้แล้วเนี่ยอย่าจะเรียกกหนอื่นก็มาดูเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนตไม่ใช่ว่าพพุทธเจ้าจะควักให้คนละก้อนละก้อนได้ หรือว่าจะแบ่งปันให้ได้หรือการเสกเอาขอเอาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทำได้ด้วยตัวเองรู้ได้เฉพาะตนของที่มีลักษณะดีอย่างนี้เราเราก็พร้อมที่จะมอบให้โดยการที่มาแสดงทําให้ฟังธรรมะนั้นดีอย่างไรนะคือแบ่งปันให้แล้วเนี่ยของคนที่เขามีอยู่เข า, เขาไม่ลดลงไป น, นี่ดีแล้วก็คนอื่นที่มีอยู่เขาก็แบ่งต่อให้ได้ ถ้ายกตัวอย่างเช่นขนมเ ค, ค้กอย่างนี้นนเราแบ่งเ ค, ค้กหรือแบ่งเงินให้แม่มีเงิน1000บาทแบ่งให้ลูก5คนคนละ100บาทแม่ก็เหลือเงิน500บาทลูกก็มีคนละหนึ่งบาทอย่างนี้แต่ว่าธรรมะนั้นแบ่งให้ได้ไม่จบไม่สิน้นแม่มีความรักความเมตตาให้ลูก5คนให้ได้ไม่หมดเลยให้ได้เต็มที่เลยให้ได้ทุกคนเลยตัวแม่ความรักความเมตตาก็ไม่ได้ลดลงไป แล้ก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นลูกได้รับความรักความเมตตาออก็มีความสุขกายสุขใจบางคนจะบอกว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันโอ้ยอย่าไปพูดเลยแม่เนี่ยรักลูกเท่ากันอยู่แล้วแต่การแสดงออกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแน่นอนการแสดงออกซึ่งความรักแต่ละคนแต่ละแบบมันก็ต่างกันไปแต่ว่าความรักความเมตตาในจิตใจของอย่างเช่นมารดาเนี่ยก็จะมีให้ลูกแน่นอนไม่งั้นจะไป คอยประคบประงมอุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนทำไมใช่ไหมแล้วก็ตอนที่คลอดอมาแล้วก็ยังมีความรักความเมตตาดูแลถึงแม้จะไม่ได้ดูแลแต่ว่าการที่คลอดออกมาแล้วนั่นก็เป็นความรักความเมตตาระดับที่สูงมากล่ะเป็นผู้ที่มีอุปการะกับผู้อื่นล่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคือลักษณะของความรักความเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าสอนว่าเอา้าให้แล้วเราก็ไม่ได้ลดลงไปคนอื่นมีแต่จะได้ บางคนคิดว่าเราไปปฏิบัติธรรมะโอ้ยหลีกหนีงานออกไปหยุดงานไปห้าวันสิบวันบางคนครึ่งเดือนบางคนนี่ภาคฤดูร้อนขอลาไปพระไปบวชสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเออเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวคนอื่นไม่สนใจเลยทํางี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นอย่างเดียวตามฝั่งที่ถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้ด้วยจะไม่ถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างสมมุติว่า เราทําธรรมะเช่นความเมตตาใเกิดขึ้นนะถ้าเรามีธรรมะคือความเมตตาเนี่ยเกิดขึ้น ใ, นในใจของเราแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้ด้วยนะเขาก็ได้ความรักความเมตตาจากเราด้วยนะเราทําธรรมะคือความอดทนในใจของเราอย่างเงี้ยนะไปฝึกปฏิบัติมานั่งสมาธิอา้ามีฝึกความอดทนเราอดทนได้แล้วเวลาเราถูกผัสสนที่ไม่น่าพอผ่อนใจเราก็จะไม่ดา่าใครนะเรามีความอดทนอยู่ดังนั้นะไอ้ความอดทนตรงเนี้ย เราฝึกได้แล้วเนี่ยกู้หนึ่งเขาก็ได้ด้วยเขาก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานั่นคือเขาก็จะได้รับความไม่เบียดเบียนจากเรานั่ น, นเองหรือแม้แต่ว่าเราฝึกใจให้เรามีอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นเราฝึกใจให้มีอุเบกขาความวางเฉยะมีภาษาอะไรไม่น่าพอใจมากระทบระวางเฉยได้คน้หนึ่งเขาก็จะได้รับความอดทนจากเราจะได้รับความที่ไม่เบียดเบียนจากเรานั่นเองใ น, นมีแต่ได้ใ น, นไม่มีเสียแต่บางคนคิดว่าเราจะไป คนออกบวชอย่างเงี้ยหาประโยชน์ใส่ตัวเองนะไม่สนใจครอบครัวสังคมบ้านเมืองแต่เพราะว่าคนที่ออกบวชเป็นต้นอย่างเงี้ยไปปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่กลับที่จะมีกิเลสในตัวเองน้อยลงนะเพราะมีกิเลสในตัวเองน้อยลงนี่แหละสังคมจะได้รับจะประโยชน์จากคนพวกนี้เอาเราดูกันที่บุ่นวายกันในบ้านในเมืองด่ากันว่ากันใส่ร้ายป้ายสีโคดโกงขโมยหน้าด้าน นั่นเพราะว่ากิเลสทั้งสิ้นพาไปทำในกิเลสเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราไปทำชั่วในอย่างเรามือของเราเนี่ยหรือว่าปากของเราเนี่ยใจมันบังคับมือบังคับปากถูกไหมไอ้ที่มันบังคับใจอีกทีหนึ่งเนี่ยมันคือกิเลสกิเลสมันมบีบคั้นใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเอากิเลสลอกออกขูดออกล้างออกหนูก็ทำให้กิเลสมันลดลงไปความชั่วความแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในใจมันก็ลดลงไป นะความชั่วที่ใจมันลดลงไปเนะกายวาจาก็ดีขึ้นมานะกายวาจาชั่วมันก็ลดลงไปในะสังคมก็ดีขึ้นคนแบบนี้ต่างหากที่จะทําบ้านเมืองให้งดงามดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นกูพิษเนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดแต่แค่ว่ า, ามีกิเลสมีธรรมะนะลดกิเลสทำธรรมะให้เกิดขึ้นแต่ว่าพูดไปแล้วแนะเราก็ทําให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นอย่างนั้น คือบางคนรู้ธรรมะฟังธรรมะเข้าใจดีแต่ว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนรู้ธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะละเอาความรู้นี้กลับไปทิ่มแทงคนอื่นเนระทำคนอื่นให้เจ็บช้ําน้าใจนะหรือว่ายกธรรมะตรงนั้นตรงนี้มาเพื่อที่จะบาดปาดเสียดสีและนี้ก็คือว่าเป็นงูพิษละเป็นงูพิษนั่นก็เป็นงูพิษกับคนที่ ที่เอาไปใช้งานเองนะอันนี้พระรูปเจาเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะว่ามาีคนหนึ่งนะเขาต้องการงูพิษก็ต้องการงูเนี่ยนะเขาจึงเข้าไปในป่านะไปจับงูมานะพอเห็นงูก็จับเลยนะจับที่ตรงเห็นมันตรงไหนจับมันตรงนั้นนะเพราะว่าตัวเองต้องการได้งูปรากฏงูนั้นนะเป็นงูพิษมันก็ฉกกัดเข้าใหนะ้คนนั้นก็ได้รับพิษนะเจียนตายหรือว่า ตายไปเลยก็ได้นะทีนี้วิธีการจับงูที่ถูกต้องพูทเจ้าก็แนะนำบอกว่าเอาคุณต้องใช้ไม้เทา้านะที่มีด้ามดังกีบเท้าแปะแกดลงไปที่ตัวงูก่อนเห็นแล้วอย่าเพิ่งจับมันเอาไม้เท้ามากดลงไปแล้วก็จับมันที่หัวนะจับมันที่หัวแล้วเนี่ยมันก็จะกัดเราไม่ได้ละทีนี้ตัวมันอาจจะพันเรารัดแน่นรึงรัดแน่นเลยแต่ว่าเราไม่โดนพิษเราไม่เป็นไรเราไม่ตาย เราไม่ได้รับทุกเจียนตายอันนี้เหมือนกันนะเราศึกษาธรรมะไปเนี่ยเราพบว่าโอ้ข้อมูลนี้ดีมากเลยนะโอรีบเอามาใช้งานทําการวิเคราะห์ไคร์ครวนเอสแล้วเอาไปติ่มแดงคนอื่นนี่ก็จะไม่ถูกนะแต่ว่าเราวิเคราะห์ไครครวนแล้วเราทําอย่างดีนะโดยการ น, น้อมเข้ามาสู่ตัวเองนะทอํายังไงให้จิตใจของเรามันมีกิเลสลดลงไปนะทํายังไงให้จิตใจเราบริสุทธิ์มากขึ้นให้มีความรักความเมตตาความสามัคคีกัน เรามีความรู้ความเรียนอย่างมันคนกลุ่มมีอํานาจอย่างเงี้ยในตัวเองมีอํานาจเช่นว่าคุมสื่อหรือว่ามีอํานาจในการสั่งการสั่งลงโทษได้สั่งถูกได้สั่งผิดได้ถ้าเรามีอํานาจเหล่านี้อยู่ในมือแล้วแล้วเราไม่ใช้ให้ถูกต้องมีความรู้มีอํานาจมีสื่อต่างๆเนี่ยเราใช้ใไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นงูพิษของเราเอง เพราะะนั้นเราจะทำยังไงไม่ให้เป็นงูพิษนะเราก็ใช้ให้อย่างถูกต้องนะพุทธาให้ใช้ธรรมะอย่างไรนะธรรมะเนี่ยให้ใช้ในลักษณะที่ว่าจะขจัดกิเลส ข, ของตัวเองน้อมเข้ามาสู่ตัวถ้าคุณมีอํานาจคุณมีสื่อคุณมีสั่งถูกสั่งผิดได้นะคุณทําตามหน้าที่ของคุณอย่างดีนะไม่กันแกล้งใครนะฝึกที่จะให้กิเลสในใจเราลดลงไปทําตามหน้าที่อย่างดีที่สุดให้ใจมีความรักความเมตตาความ กรุณาต่อกันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นงูพิษจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆทีเดียวความรู้นั้นก็จะไม่เป็นพิษกับคนอื่นไม่เป็นพิษกับตัวเองแล้วก็ความรู้ความเรียนนั้นก็จะนํามาใช้ประโยชน์ในสังคมได้เหมือนกันและวันนี้ในช่วงปรยิยัตที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของที่เราได้ยินกันมาอยู่เป็นประจำนะตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยซ้ํานั่นคือพรหมิหารสีเมตตากรุณา มุทิตาแล้วก็อุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคุณธรรม4อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่คนที่เป็นใหญ่คนที่มีอำนาจคนที่สั่งถูกสั่งผิดได้คนที่คุมมีอำนาจในการที่จะสั่งการอะไรต่างๆยิ่งคุณต้องยิ่งมีอานาจต้องยิ่งมีคุณธรรม4อย่างอย่างนี้นะเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขา สี่อย่างนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กนะแล้วมันใช้การยังไงคือบางคนจะมีความคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีพระเดชพระคุณต้องมีการลงโทษด้วยต้องมีการสั่งการด้วยแต่จริงๆแล้วการลงโทษเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ที่ทำผิดแต่คุณทําผิดคุณลงโทษเขาคือลงโทษเนี่ยมันเป็นไปตามระบบของกฎหมายอยู่แล้วนะคือถ้าคนทําผิดเขาก็ต้องถูกลงโทษตามระเบียบของกฎหมา ย, ยแหละมันก็เป็นธรรมดาทีนี้คนทําผิดเนี่ยเพราะอะไร นะมนันเป็นเพราะว่ากิเลสอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็ตั้งตำรวจมาให้คอยไปจับคนผิดออกกฎหมายมาเพื่อที่จะทำลงโทษคนผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมเป็นการตามจับตามฝั่ ง, งนะตามจับก็เหนื่อยคือหมายว่าเราต้องไปตามคนผิดอ่ะทีนี้บางคนบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีพระเดชมีพระคุณนะคือมีการลงโทษคนผิด บางทีเขาต้องให้ผู้ใหญ่สั่งการไปในการลงโทษจับคนผิดแรงต่างเหล่านี้ซึ่งอันนี้ถ้าเรามองดูในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งนะคือหมายความว่าไอ้ความผิดของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนไม่ได้ตั้งใจทําผิดอันนี้ก็ก็แล้วไปแต่คนที่ตั้งใจทําผิดเนี่ยแย่มากนะถ้าเราจะไปมีตํารวจมีผู้ใหญ่ที่จะมาคอยตรวจสอบว่าคนนั้นทําผิดคนนี้ทําผิดแล้วก็สั่งการลงโทษเขาเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจตรงนี้ลึกๆลงไปอีกเนี่ยว่า คนที่ทำผิดด้วยความตั้งใจเนี่ยเพราะว่ามันมีกิเลสนะถ้าคนมีกิเลสมันก็ทำผิดแน่นอนแต่นี้คนที่ทำผิดเพราะว่าตัวเองจิตใจมีกิเลสเนี่ยาทาฟังรู้ไหมว่าไอ้กิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยจริงๆมันสามารถละได้นะด้วยกระบวนการหลายๆอย่างนะถ้าสมมติว่าเราให้คนทั้งโลกนะหรือส่วนใหญ่ก็พอหรือว่าบางส่วนที่มีอำนาจเนี่ยลดกิเลสลงนะกิเลสในใจน้อยลง โอ้ยตำรวจตกงานแน่นอนตำรวจฟังนะไม่ต้องไปมีตำรวจคอยตามจับผู้ใหญ่กุณยไม่ต้องมาทําหน้าที่สั่งการคนนั้นคนนี้ให้ไปจับคนนั้นคนนี้นั่นเพราะว่าความผิดเนี่ยมันจะเกิดน้อยมากนะความผิดจะเกิดน้อยมากเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่น้อมไปในต่างที่เป็นอกุศลเราจะทำไงให้กิเลสของคนมันลดลงนะหนึ่งในนั้นเนี่นนยคือกระบวนการของการที่เราเจริญเมตตากรุณามุมิต า, า, ตาอุเบกขานี่ก็ด้วยเหมือนกันนะถ้าจิตใจของบุคคลทุกคนเนี่ย มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆในกิเลสจะเข้าครอบงําจิตไม่ได้นะเพราะกิเลสเข้าครอบงําจิตไม่ได้แล้วในการทําผิดด้วยความจงใจนมันก็ล้นหลงเอายังไม่พูดถึงเรื่องทําผิดโดยไม่เจตนาก็ได้นั้นยังพอแก้ได้ด้วยการสอนงานสอนเข้าอะไรต่างๆเขาก็ทําขึ้นมาได้เพรา ะ, ะนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าเมตตาก ร, ารุณาบริทาวเบคานี่แหละนะเป็นคุณธรรมสาหรับผู้ใหญ่นะที่จะมีไว้เนะพื่อที่จะทำให้ ตัวเองเนี่ยสามารถปกครองตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะเป็นคุณธรรมที่ทําให้มีความเป็นใหญ่เกิดขึ้นได้ เ, เรามาดูในรายละเอียดตรงนี้ท่านผู้ฟังณนะว่าอันแรกนี่คือเมตตาณนะเมตตาเนี่หมายถึงความรักณนะความเมตตาณนะความรักนี่เป็นยังไงณพนะระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับมารดารักบุตรนณะบุตรบุตรคลอดออกจากคันตัวเองมาโผล่ออกม า, ออกมานี่นณะเห็นบุตรตัวเอง คนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้เป็นมารดาเนี่ยจะทราบว่าโอ้พอเราลูกออกจากคันของเรามาเนี่ยนั่นมีความรักความเมตตาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนั่นคืออารมณ์ของความรักความเมตตาที่ทําให้ความเจ็บปวดอะไรต่างมันหายไปหมดนะความรักความเมตตานะที่ให้ได้อย่างไม่มีประมาณอีกในย่าหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามองดูพี่น้องของเรานะีมองดูพี่น้องพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว นะด้วยความรักความเมตตาอย่างนี้ก็ได้นะจิตใจก็จะเป็นความรักที่ที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะความรักความเมตตาตรงนีนะ้ก็ให้เป็นเหมือนกับจิตใจที่เรามีอยู่เรื่อยๆเราคนที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเนี่ยก็ควรจะมองลูกน้องของตัวเองนะควรจะมองบุคคลอื่นๆนด้วยการ ม, มีเมตตาอยู่ตลอดนะคนที่ไม่ดีเราก็ต้องมีเมตตานะคนที่ดีเราก็ต้องมีเมตตานะจิตให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างนี้ ทนี้กรุณานี่คืออะไรนะกรุณาก็คือความที่อยากจะให้เขาพ้นทุกขนะ์ลงไปช่วยเหลือนะถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยความกรุณานะจึงการทําการตรวจสอบโลกด้วยพุทธศักท์สนะุเห็นคนที่มีอินทรีย์อ่อนบ้างแก่บ้างคนที่มีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างคนที่พอสอนได้นั่นเพราะว่าพระองค์อาศัยความกรุณานะที่จะให้คนหน่งเขาพ้นทุกขนะ์จึงมาทําการตรวจสอบดู นะหรือว่าภิกษุบางรูปอาศัยความกรุณาอาศัยความเอ็นดูก็ทําการแสดงทําใหนะ้เพื่อที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะความกรุณาในที่นี้ก็คือว่าความปรารถนาที่จะให้เขาพ้นทุกข์ในะต้องการจะช่วยเหลือกันนะมุทิตาคืออะไรนะคือตรงนี้เราทําความเข้าใจในเรื่องของบทเพียรชนะ ก, ก่อนนะท่านฟังนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้งานได้อย่างถูงถกต้องนะมุทิตาในที่นี้ก็คือความที่เห็นก็มีความสุขแล้วก็ สบายใจด้วยเห็นก็มีความสุขแล้วก็ยินดีด้วยนะไม่มีความอิจฉาริษเสยียความุทิตาความที่มีอนุโมทนานะหรือว่าความที่เห็นก็มีได้รับความสุขเราก็ยินดีด้วยตรงนี้นะเป็นมุทิตาส่วนอุเบกขาคือความบังเฉยนะความวางเฉยก็คือความที่มีอะไรมากระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็นิ่งเฉยอยู่ได้ในคุณธรรม4อย่างนี้ ท่านประเทศดีหลกจากวัดบวรเนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างดีมากทีเดียวแต่นั้นเปรียบเมตตาเนี่ยเหมือนกับห้องรับแขกคือใครมาบ้านเราเนี่ยเราก็เขาก็จะเข้าสู่ห้องรับแขกก่อนเป็นห้องแรกแล้วก็ต้อนรับตอนอะไรไปตามเรื่องตามราวนักรุณาเนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องน้ําห้องสุ ข, ขาแต่ต้องการพ้นทุกข์เอกคุณไปเข้าห้องน้ํานัมุทิตาเนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องอาหารมีการเลี้ยงการรับรองการที่ กินให้อิ่มอย่างนี้เป็นต้นการเลี้ยงกันรับรองในะส่วนอุเบกขาเนี่ยเปรียบเสมือนห้องนอนล่นะคือใครทําอะไรไม่ดีมาโอ้ชั้นว่างเฉยนะปล่อยวางนะไปพักผ่อนดีกว่าลักษณะ น, นี้ในการเลือกใช้คุณธรรมสี่อย่างตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีการที่จะแบบลงโทษเขาหรือคิดไม่ดีกับลูกน้องหรือคิดไม่ดีกับคนรอบข้างเลยนะเพราะว่า ส, สุดท้ายที่มันจะไปหยุดอยู่เนี่ยคืออุเบกขาในะยกตัวอย่างเช่นว่า เรามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะหรือว่ามีลูกน้องคนหนึ่งนะคนนี้นะมีหลายคนอยู่นะคนหนึ่งคนหนึ่งในจนํานวนหลายๆคนเนี่ยก็ เ, เป็นคนดีนะทํางานดีแต่ว่ามีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็มีเมตตาให้อยู่แล้วนะจิตของเรานี่มีเมตตาอยู่ตลอดทีนะนี้เขามีทําผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็มีกรุณานะในการที่จะไปบอกสอนเขาเออทำงานอย่างนี้นะเอาแก้ไขยอย่างนี้สิเอาคุณทําไม่ได้แล้วเอาเราช่วยเหลือกันนะตรงนี้คือความการณุณาที่เราจะช่วยเหลือกัน ในที่นี้พอเขาทําได้ดีขึ้นมานะทําได้ดีขึ้นม า, เ, าเราก็ยินดีด้วยเขาอาจจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นแล้วนกะ็าอาจจะได้ไปทํางานที่ใหม่ที่ดีขึ้นหรือว่าไปทําการเรียนรู้งานในที่อื่นๆนะเราก็มีมูมิตา ม, มีความยินดีในความดีที่เขาได้ความดีในที่นี้ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าวการเลื่อนตําแหน่งแต่หมายถึงความรู้ที่เขาจะได้หรือคุณณธรรมใดๆที่เขามีในจิตของเขาเพิ่มขึ้นเช่นว่าเราพูดถึงความเพียรนะถ้าเขามีความเพียรในใจเขามากขึ้น ต่ให้เขาจะไม่ได้รับการเรื่องตำแหน่งหรือว่าได้เงินเดือนเพิ่มก็ตามนะแต่ความเพียรที่เขามีในจิตมากขึ้นเป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นในใจของเขาอยู่แล้วเราเห็นตรงนี้โอ้เรามีมูลนิตาให้นะมีความยินดีให้ในขณะที่อีกคนหนึ่งนะจะมีเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งหรือนละูกน้อยอีกคนหนึ่งมันบอกสอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะตัวปวนในที่ทางานด้วยทำอะไรก็ผิดพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่เข้าท่านะถ้าเราจะไปโกรธ ไปทําความไม่พอใจก็ไม่ดีณนะเรามีเมตตาให้แล้วเขาก็ยังไม่ดีขึ้นณนะหรือว่าเราพยายามจะสอนงานมีกรุณาแล้วณนะสอนงานทําอะไรงานช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วก็กลับมาเอาผลประโยชน์จากเราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องกับเราอย่างนี้เป็นต้นณนะจะไปมุติตาเขาก็ไม่ได้แล้วเพราะนั้นเป็นความชั่วณนะเราจะไปยินดีกับความชั่วที่เขามีมันไม่ถูกทํำยังไงก็อุเบกขาซะณนะอุเบกขาคือความวางเฉยณนะวางเฉยนี่ที่นี่หมายถึงวางเฉยทางจิต นะี่ไม่้จิตของเราเนี่ยไปอยู่ในแดนลบเนะี่ยมีผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอนไอโศกเนี่ยมาคุยให้คราบพเจ้าฟังเนะี่ยเปรียบเทียบอุเบกขาไว้ดีมากเนะีเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนรถยนต์เนี่ยนะีเขาจะติดเบรกเอาไว้ที่ขาเนะีเบรคขาเบรคขาเนี่ยคือให้รถมันหยุดเนะี่ยเบรคขาเบรกจิตเอาไว้เอาขานี่เหยียบเบรกที่จิตเนะี่ไม่้จิตเนี่ยไปตกอยู่ในแดนลบนะีโดยการที่ใช้อุเบกขานี่ยเอง นั่นคือความบังเฉยหยุดหยุดหยุดยุดอย่าให้จิตไปคิดไม่ดีอย่าให้จิตไปด่าใค ร, ใ ห, ราาให้เรามีอุเบกขานะี่ยลองคิดดูสมมุติเรามีหัวหน้าสักคนหนึ่งหัวหน้ารงานของเรานแต่เป็นผู้บังคับบัญชาของเราถ้าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาหรือตาอุเบกขาเนี่ยแม่เราจะจะดีใจมากที่เรามีเจ้านายอย่างนี้หรือว่าถ้าเราเป็นเจ้านายลองคิดดูถึงใจของลูกน้องในหรือใจของเพื่อนร่วมงานเนี่ยใจของเพื่อนร่วมงานหรือใจของลูกน้อง ของเรามีเมตตากรุณาเมตตาเบกขาเนี่ยในที่ทํางานในครอบครัวหรือในจุดไหนก็แล้วแต่จะไม่มีการด่า ก, กันว่ากันแต่ทุกคนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาจ่มาคนที่ทําไม่ถูกเพราะว่าถ้าเขามีจิตอย่างนี้มี4ี่อย่างนี้กิเลสเขาก็จะลดลงไปใน อ, อัตโนมัติเนื่องจากว่า4อย่างนี้เป็นกระบวนการของการที่จะละกิเลส ด, ด้วยการพัฒนาจิตอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นจิตใจเขาก็กิเลสลดลงไปทำความชั่วยก่นน้อยลง ทุกคนมีความเมตตาให้กันใครทําดีก็ไม่มีอิจฉานะทุกคนมีมุทิตานะไม่ริษยากันนะคนมีความทุกข์เขาทํางานยังไม่เสร็จไดนะ้รับความทุกข์จากที่บ้านเราก็มีกรุณาช่วยเหลือกันนะคนไหนมันทําไม่ดีขึ้นม า, เ, าเราก็วางอุเบกขาซะปล่อยให้บทการลงโทษเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างนี้นะเราก็จะจะดีขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในสํานัก ง, งานก็จะดีขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้ในในเรื่องนี้ได้ต้องมาใช้ด้วยกันเนี่ยนะคือเมตตากรุณาบุริต า, าเบคขาเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเราช่วยเหลือใครสักคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเราให้ขอทานก็ได้ขอทานหรือว่าคนที่เขาได้รับความทุกข์อย่างนี้เรามีเมตตากับเขาคนที่ไม่ดีเราก็มีเมตตากับเขานั่นแหละแต่ว่ากรุณาเนี่ยคือความช่วยเหลือพ้นจากทุกข์เนี่ยเราก็ช่วยตามตามลําดับแตนะ่ต้องการจะเปรียบเทียบ2ตัวอย่าง อย่างเช่นว่าเรามีลูกของเรานะลูกของเราเราเคลอดออกจากคันของเราแต่คนที่เป็นพ่อก็คือว่าเป็นลูกที่เราให้กําเนิดมาแตนะถ้าเรามีลูกอนะาจจะเป็นลูกผู้ชายก็ได้ลูกผู้หญิงก็ได้เรามีเมตตากรุณามุริตาอุเบกขากับเขาเนี่ยความเมตตาที่เราให้เนี่ยมันไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณเขาจะเข้าเรียนหนังสืออา้าวต้องไปเรียนพิเศษฉันก็หาเงินมาใหนะ้ป่วยฉันก็พาไปหาหมอนะเป็นผู้บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายในะตรงนี้จึงต้องบอกว่ามาดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากนะนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ทีนี้ถ้าลูกทําผิดทําไม่ถูกนะมาดาบิดาก็จะต้องคอยมีความกรุณาในการบอกสอนนะลูกสอบได้เรียนเก่งมีคุณธรรมดีขึ้น เ, เราก็มีความมุทิตาให้นะทีนี้ถ้าเขาไปทําผิดทําอะไรไม่ถูกนะเราบอกสอนแล้วเขาไม่ฟังนะไปทําไม่ดีอีกด้วยซ้ําเราก็ต้องมีความอุเบกขา นะคืออยาให้จิตของเราเนี่ยไปตกอยู่ในแดนลบแล้วนะก็มันเป็นคนแบบนี้ก็คงสอนได้แค่นี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าเราเอาอคุณธรรมสี่อย่างนี้มาใช้กับคนอื่นในรูปแบบอื่นนะอัตราส่วนตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงกันไปตรงที่บอกว่าปรับสัสดส่วนให้ถูกต้องเนี่ยก็คือหมายความว่าในบางครั้งเรายังมีขอทานมาขอเงินจากเราอย่างนี้แตนะ่ถ้าเราไปให้ไป5บาท10 บ, บาทแต่ถ้าขอทานนั้นเป็นคนที่เขาไม่มีศีล นะ่ยไม่มีคุณธรรมใดๆเนี่ยเราให้ไป5้าบาทกาขอบอกขอ10บาทได้ไหมขอยี่สิบาทได้ไหมเราบอกเราไม่ให้แล้วเราแค่แค่5บาทแล้วก็อาจจะมาด่าเราด้วยซ้ำเอาทำไมกิ่ง ก, กอย่างนี้เอ้เราเพิ่งให้เขาไป5บาทไหมเนี่ยนะเขาพอมาว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็จะต้องมีอุเบกขาล่สะสัดส่วนตรงนี้ก็จะต้องปรับให้ถูกต้องในทีน่นี้ทีนี้ถ้าเรามีกรุณาในอย่างไม่มีประมาณหมายความว่าเออคุณกรุณาเขาเนี่ยคุณก็พาเขาไปกินข้าวด้วยนะพาเขาไปอาบน้ํา ล้างตัวให้ดีนะขอทานเนี่ยนะแล้วก็พาเข้าไปมีที่อยู่อาศัยเ อ, เอาเอาบ้านให้เขาอยู่นะทำเอาเงินให้เขาอะไรให้เขาแล้วถามว่ามันจะหยุดตรงไหนแตนะถ้าเราถ้าเปรียบเทียบกับลูกของเรานั้นลูกของเราอย่างเงี้ยเราให้ได้ไม่มีประมาณใช่ไหมพาเขาไปกินข้าวพาอะไรไปก็ธรรมดาแต่ว่าอย่างคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครอย่างเช่นขอทานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนกันไปนอุปขขาจะเอาถูกนํามาใช้ก่อน โดยซ้ำหรือมีปริมาณของอุเบกขามากขึ้นในขณะทีถ่ถ้าเป็นลูกของเรานะความกรุณ า, าก็มากอย่างไม่มีประมาณความเมตตาก็มากอย่างไม่มีประมาณสัดส่วนตรงนี้เราก็ต้องปรับกันไปนะตามสถานการณ์แต่ต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้แน่นอนท่านผู้ฟังนะคุณธรรม4อย่างนี้เป็นคุณธรรมที่ไม่ว่าใครๆก็ควรจะต้องมีเขนะามาดาเราว่าเราจริงก็ตามไม่จริงก็ตามเถอนะเราอย่ากโกรธนะให้เรามีอุเบกขานะคนที่ไม่ดีกับเราเขาทาชั่วทําผิด เราก็ต้องมีเมตตาอย่าไปคิดว่าเออเว้นมันไว้สักคนนึงเราไม่มีเมตตาคนนี้เราคิดไม่ดีมันมันไม่ถูกหรอกท่านฟังนะให้มีเมตตาต่อกันนะถ้าเราพอจะช่วยเขาได้นะก็มีกรุณาด้วยถ้าเขาทําดีคิดได้ทําถูกนะเราก็มีมุทิตาด้วยนะสคุณธรรมนี้นะจึงต้องเอามามาใช้ด้วยกันนะมาปรับใช้ให้ถูกต้องนะพระพุทธเาบอกว่าให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยกับศัรรพสัตว์ นะทั้งหลายยังไม่มีประมาณนะคําว่าไม่มีประมาณในที่นี้ก็คือว่าเอามาใช้อย่างเต็มที่เลยนะเอามาใช้ในทุกเวลานะทั้งสัตว์ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบนืบ้องล่างนะใช้ไม่ว่าจะเป็นนกหนูท้องฟ้าต้นไม้คนรอบตัวเราสัตว์เดรัจฉานสัตว์ตวตวเลื้อยคานนะเทวดามนุษย์สุ น, นทรคนณทันเราก็ใช้คุณธรรมสี่อย่างนี้ได้หมดแล้วคนที่มี เมตตากรุณามุริตาอุเบกขาเนี่ยท่ฟังในจิตของเขาเนี่ยจะเป็นจิตที่ที่สบายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นได้ในกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะไม่มากลุ่มรุมแล้วก็ตั้งอยู่ในกลุ่มรุมตั้งอยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าถ้ามันมีความร้อนไฟเผาเกิดขึ้นวุ่มๆเราเริ่มร้อนละคนธรรมดาเราเราเริ่มร้อนละแล้วมันจะมาตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นว๊บๆ๊วบวแต่มันมาตั้งอยู่ มันจะมากลุ่มรุมเผาให้ใจของเราร้อนเนี่ยไม่ได้แตนะเพราะเรามีทั้งเมตตาเมตตานี่เหมือนกับพระเจ้าเปลี่ยนเหมือนกันน้ำํำนะที่มีปริมาณมากน้ําในแม่น้ำอย่างเงี้ยคุณจะเอาไฟมาจุดให้มันลุกเดือดพลาดเนี่ยมันไม่ไดนะ้หรือว่าเรามีอุเบกขาอย่างเงี้ยอุเบกขาปุ๊บเบรกเอียดนะจิตก็เราไม่ไปอยู่ในแดนลบไม่ไปอยู่ในห่วงที่มันร้อนห่วงที่มันมืดห่วงที่มันต่ำนะให้จิตเราสูงอยู่เสมอให้จิตเราสบาย ให้จิตเราเห็นในเรื่องความผิดพลาดในการงานมันมีทั้งนั้นทุกที่ก็มีแม้แต่เด็กที่เขาหัดเดินเนี่ยนะเขาก็ยังลมบ้างแม้ถ้าผู้ใหญ่เลยอย่าไปว่าเด็กบางทีเราเดินสะดุดเราก็หกล้มก็มีผู้ใหญ่ที่เดินแข็งแรงนะักกีฬานะที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างดีเขายังมีความผิดพลาดในการงานในเวลาแข่งนั่นะมันก็ธรรมดาแต่ผิดพลาดแล้วนะจิตคุณเป็นยังไงนะจิตคุณถ้าจิตคุณเป็นจิตไม่ปกตนะิมีความ ร้อนเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดอันนั้นน่ะผิดพลาดล่ะอันนั้นไม่ถูกละเราต้องรีบแก่นะด้วยการวางจใจเราให้มีอุเบกขานะคือวางเฉยซะเห็นคนอื่นเขาได้ดีเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จนะเอย่าไปริษยาเขานะให้เรามีความมุทิตาโอ้เขาทําได้แฮะแหมเขาดีจังเขาทํำยังไงไหนลองไป เ, เรียนรู้จากเขาดูนะถ้าเขาทําถูกต้องตามธรรมอันนี้ดีมากนะถ้าเขาทําไม่ถูกต้องตามธรรม อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะใครด่ากันว่ากันก็เคขาเขาทำไปสิบาปเขาได้เองกับตัวเขาเองนะเรามีความกรุณาว่าเออถ้าเปิดว่าเราพอจะบอกเขาได้เราก็พอจะบอกเขาให้เขาดีขึ้นสบายใจขึ้นแต่ถ้าถ้าเราบอกไม่ได้ก็เราก็บางอุเบกขาแล้วกันแต่ถ้าสักวันใดวันหนึ่งเขาปรับเป็นคนดีขึ้นมาได้เออเราก็มีมูริตา ย, ยินดีกับเขานะจิตของเราให้มีเมตตายอยู่ตลอดเวลานะทำแค่เนี้เราจะสบาย แล้ว4อย่างนี้เราเลือกมาใช้ได้นะในเวลาไหนมันก็ยังดีคือบางทีเราเอามาใช้อย่างอาจจะไม่ถูกสัดส่วนจะว่าผิดก็ไม่ใช่แต่แต่ยังน้อยมันยังดีคืออาจจะบางทีช่วงเวลานี้เราต้องมีกรุณาแต่เราดันอุเบกขามาใชอา้อย่างเงี้ยในเวลาทํางานเราต้องสอนลูกน้องใช่ไหมบางทีสอนเพื่อนร่วมงานบางทีเราเอากรุณามาใช้แต่เราดันบางอุเบกขาไม่สนใจแต่ยังน้อยนะมันก็ยังดีตรงที่ว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่น อย่างน้อยบางยังดีตรงที่ว่าจิตเราไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นในใจนะไอ้สัดส่วนการปรับใช้นี่อาจจะเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงจะไม่เหมาะสมก็ไม่ผิดอยู่ดีและถึงจะไม่เหมาะสมก็ไม่ถูกกิเลสรุมเร้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณทํา4อย่างเนี่ยจำฟังดีมากเนื้อเราเอามาใช้เดี๋ยวจะใช้ตรงไหนกูจะวางอุเบกขาทั้งวันเอาก็ได้นะเราก็เลือกให้เหมาะแตนะ่คุณจะมีเมตตาทั้งวันอันนี้ก็ดีแตนะ่คุณก็เลือกให้เหมาะ ความเหมาะสมตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเร า, าเราฝึกไปทําไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นบวกนะท่านฟังจิตของเรามีความที่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจิตตรงนั้นเนี่ยจะไม่ถูกกลุ่มรุ ม, มด้วยกิเลสเนี่ยจะไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีสิ่งที่เป็นอคูสุรธรรมเกิดขึ้นจิตที่ไม่มีอคุสุธรรมเนี่ยท่านฟัง เป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่มีกําลังในจิตที่สว่างจิตที่มีกําลังเนี่ยเป็นกําลังจิตในจิตสว่างมีกําลังมีกําลังจิตเนี่ยจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สามารถที่จะตัดสินใจงานได้อย่างถูกต้องในางตามต้นรันข้ามถ้าจิตเราตกไปอยู่ในห่วงลบในะห่วงที่ไม่ดีห่วงที่ไม่ถูกเนี่ยคุณคิดยังไงบางทีมันคิดไม่ออกไอ้ที่คิดออกบางทีก็ไม่ดีด้วยซ้นะํานเพราะว่าจิตเราไปอยู่ในห้วงลบเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะ มีความติดขัดบ้างในเรื่องของการกระทำนะสัดส่วนอาจจะเหมาะสมไม่เหมาะสมนะเราค่อยปรับเอาอย่า ง, งน้อยเราอยู่ในห่วงของความคิดที่ดีอย่างยู่ในห่วงของจิตที่เป็นกุศลธรรมอันนี้จะช่วยเราได้มากในการทํางานทีเดียวและเวลาที่เราทําไปทําไปในท่านฟังนะเราค่อยปรับจูนจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นดีขึ้นนะใครจะว่าอะไรยังไงโอ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงต้องทําอย่างงั้นสินะก็ว่าเราก็ว่าไปเถอะนะเราก็อดทนเอา นะเรามีเมตตาเอาบางทีเราก็ทําไม่ถูกเหมือนกันนะใครคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำถูกเสมอความผิดพลาดมันก็มีได้ยิ่งเติบโ ต, ตขึ้นมามีประสบการณ์มากขึ้นแตนะ่บางทีประสบการณ์ที่มากขึ้นนี่แหละเป็นตัวจํากัดความคิดของเราเองด้วยซ้ำนะเราก็มีผิดบ้างถูกบ้างเราก็ค่อยแก้ไขกันไปนะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะทำความดีอย่างเงี้ยนะเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเป็นใหญ่ได้ความเป็นใหญ่่่่นนนีีี้้ไไมมมใชววาาาาาาคุณตอองปํจสบร ตำแหน่งใหญ่โต43 44ไม่ใช่อางนั้นแต่ว่าเป็นความใหญ่ทางจิตแต่เป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่ไม่ตกอยู่เ น, นืออำนาจของกิเลสเป็นจิตที่ดีอย่างนี้ก็ชื่อว่าจะไม่ถูกปริยัติกินหัวเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษคนรอบข้างของเราก็จะไม่ได้รับพิษนี้แลเราก็จะอยู่สบายได้รับความเย็นกายเย็นใจจากธรรมะที่มาฉลมจิตใจของเราในวันนี้ข้าพเจ้า พ, พระภัยบูณนะ์พิปุนโนจะวัดป่าดอนหาโศกก็ขอลาไปก่อน ถ้าในฟังมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เพ e ยวธรร m a .com พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจรินบาน